ในท่าสูตรตรัสูตรที่เราเรียนกันมาโอ้หลายเสาเหมือนกันนะขอมาไปคัดเอาสูตรเดียวที่ว่าเรียนได้ทั้งพรรษาเลยไม่มีจบอย่างเง น, นะชอบมากทาทีเดียวเสร็จเลยทําหลายๆครั้งนี่ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะ <c oughs> ในท่าสูตรตรัสูตรนั้นเป็นหมวดธทมที่กล่าวตั้งแต่หมดหนึ่งหมดสองหมวดสามหมดสี่จนถึงหมดสิบนั่นแหละเนี่ยนะ แล้วก็หมวดหนึ่งก็มีทั้ง10บหัวข้อเนี่ยนะเช่นธรรมะเหล่านี้มีอุปการะมากเนี่ยนะก็มีทั้งสิหัวข้อทุกวันนี้เราก็มาถึงหัวข้อที่5เนี่ยนะธรรมะหมวด5อยู่ถ้าสูตรตละสูตรนั้นถ้าหากว่าผู้ใดทรงจําได้เนี่ยนะทรงจําได้ไปตึกไปใคร่ครวญตามบทธรรมแต่ละหัวข้อที่ได้แสดงไปแล้วเนี่ยนะ ก็จะเห็นคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะบทว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยชัดมากว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านตรัสรู้อะไรเนี่ยนะแล้วก็เรายินดีจะตรัสรู้ตามในส่วนไหนบ้างเนี่ยนะก็จะเห็นเห็นทั้งพระพุทธคุณเนอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็จะได้รู้ถึงอัธยาศัยของเราจะได้สังเกตดูสัจทินสีของเราว่าสัจทินสีของเรานี้ มีมีอะไรเป็นอารมณะปัจจัยมากเนี่ยนะหรือว่าที่เรียกว่าศรัท ธ, ธาคือธรรมดาของศรัท ธ, ธานั้นจะต้องมีที่รองรับเนี่ยนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งศรัท ธ, ธาถ้าเราบอกว่าเรามีศรัท ธ, ธาในพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเราศรัท ธ, ธาในส่วนไหนของพระ อ, องค์ถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องเขาจะต้องศรัท ธ, ธาที่ว่า พระองค์นั้นเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้วเนี่ยเเขาก็าจะศรัทธาในส่วนนั้นแต่ถ้าหากว่าศรัทธาตรงที่ว่าท่านมีความเพียรมากเป็นต้นเนี่ยนะีก็ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ถึงกับศรัทธาพระสัพพัญญุตยานหรือที่เรียกว่าไม่ได้ศรัทธาในความเป็นพระพุทธเจ้าอะไรของพระองค์มากนะเพราะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะอยู่ที่การตรัสรู้โดยถูกต้องโดยชอบและด้วยพระองค์เอง แต่ถ้าก่อนหน้านั้นนั้นทั้งหมดนี่เป็นบุพพจริยาเนี่ยนะบุพพจริยาความประพฤติแต่เก่าก่อนของพระ อ, องค์ว่าพระ อ, องค์บําเพ็ญบารมีพระ อ, องค์มีวิริยะมีอุตสาหามีขันติในการบําเพ็ญบารมีอย่างไรบ้างเพื่อเพื่อให้ตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะนนเราก็ต้องย้อนกลับมาหมันรละลึกถึงธรรมะที่พระ อ, องค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยนะทีนี้อย่างหนึ่งสําคัญ ที่เราควรใคร่ควรวญให้มากว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วพระองค์ปฏิบัติยังไงพระองค์จึงตรัสรู้เนี่ยนะอันนี้อย่างหนึ่งเอาตอนตรัสรู้มาตั้งนะแล้วพระองค์ปฏิบัติยังไงจึงได้ตรัสรู้พระองค์คิดอะไรบ้างอันนี้อย่างหนึ่งอีอย่างหนึ่งเมื่อตรัสรู้แล้วอะพระองค์อสอนอะไรเนี่ยนะพระองค์มีอัธยาสัยอย่างไรหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยนะ สมมติถ้าหากว่าพราะองค์ไปเจอพุทธบริษัททั้งหลายจะเรียกว่าภิกษุพระองค์จะแสดงยังไงถ้าเจอพิษุณีพระองค์แสดงอะไรถ้าเจออุบาสกเจออุบาสิกาเป็นต้นเมื่อเกี่ยวข้องกับเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระองค์สอนเข้าเรื่องอะไรเนี่ยนะตรงนั้นก็เป็นเป็นจุดที่เราต้องหมั่นสังเกตกําหนดจดจําเอาไว้เนี่ยนะเพราะว่าถ้าเป็นสมัยโบราณเลยเราอาจจะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ที่มีพระชนอยู่ มีขันห้าอย่างบริบูรณ์ว่ากันเนี่ยพงษ์มีทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณดารงอยู่แต่ตอนนี้รูปประขันเนี่ยเหลือคือเหลือเฉพาะพระธาตุเนี่ยนะธาตุสี่สิบสองธาตุนะปฐวีจนถึงเอ่อปฐวียี่สิบอาโปสิบสองเตโชสี่วายโยหตอนนี้เหลือปฐวีอย่างเดียวปฐวีนี้ก็ปฐวีนี้มีตั้งยี่สบใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตอนนี้เหลือเหลือ เหลือสามเนี่ยเข้าไปเหลือสามนะคือหนึ่งเหลือเกสาธาตุเหลือเป็นบางแห่งเหลือเป็นบางสถานที่คือพระเกสาธาตุอย่างที่สองก็คือทันตธาตุหรือธาตุธาตุก็ฟันหรือพระเขี้ยวนั่นเองนี่นะก็เหลือฟันเหลือเขี้ยวอย่างที่สามก็คือเหลือกระดูกนี่นะพระอัฐิธาตุอันนี้เฉพาะในส่วนของอุปาทินนขันแต่ที่เหลือที่อื่นเนี่ยนะธาตุน้ํา พระองค์ไม่เหลือน้ําตาไว้ให้เราเห็นเลยไม่เหลือปิดตังเซมหางปูโพน้ําดีน้ำนํำเสลน้ําเลือดไม่มีไม่มีเหลือละเนี่ยนะถ้าเป็นธาตุไฟล่ะธาตุไฟนี้ก็หมดเลยธาตุลมก็ไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเกี่ยวข้องระลึกทรงจําได้ก็เนี่ยให้เอาคําสอนเป็นหลักเนี่ยนะว่าพระองค์สอนแล้วเรานี่มีศรัทธานในคําสอนในตรงไหนบ้าง ทนี้ในคำสอนที่เราศรัทธานี้เราสามารถเอามาพอกพูนเอามาเจริญได้ไหมเนี่ยนะถ้าหากว่าเราศรัทธานในบทธรรมบทใดบทหนึ่งแล้วภาคเพียนภาคเพียนเจริญปฏิบัติตามบทธรรมบทนั้นๆนัๆ่นแหละจนสามารถตรัสรู้ธรรมได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตรเป็นผู้ปฏิบตัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะก็เอาตรงนั้นเป็นเป็นหลัก อยากจะอ่านข้อความในอังคุตรนิกายติกะนิบาทเข้าไปสูตรนั้นไม่ไดเอาม า, านะามาคนละเล่มกันในหัวข้อธรรมที่จะกล่าวของวันนี้นะก็คือพูดถึงอินซีห้านะอินซีห้านั้นจัดอยู่ในธรรมะที่เป็นไปเพื่อความวิเศษในหน้าสิบหกนะข้อ 416นะพูดถึงอินสียห้าอินสียห้าก็ประกอบไปด้วยสัตินรีนี่ยนะอินรีคือศรัท ธ, ธาวิยินรีอินรีคือวิริยะนี่นะสตินรีอินรีคือสติสมาธินรีอินรีคือสมาธิแล้วก็ปัญญินซีอินรีคือปัญญาคำว่าอินรีนี้อับทะอีกในหนึ่งว่าอธิบดีคือหมายถึงว่าเป็นใหญ่เป็นหัวหน้า เป็นธุระเนี่ยนะคือเขาเป็นใหญ่ในในธรรมะทั้งหลาย อ, อินทรีย์นี้สามารถมีพร้อมกันได้หลายอย่างแต่อธิบดีนี้มีได้ทีละอย่างแต่ก็ อ, อธิบดีนี้เขาจะใหญ่หมดเลยแต่ถ้าอินซีเนี่ยนะเขาก็จะใหญ่เป็นผนักเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นลักษณะอธิบดีก็เหมือนกับว่าอธิบดีของกรมนั้นๆจะมีได้คนเดียว แต่ถ้าเป็นอินทรีย์ก็คือหัวหน้าแผนกเนี่ยนะหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกเขาใหญ่ในเรื่องนี้คนนี้ใหญ่ในเรื่องนั้นคนนั้นใหญ่ในเรื่องนี้อันอินทรียเขาจะลักษณะนั้นถ้าสัตินรีย์เขาก็เป็นใหญ่ในทางน้อมใจเชื่อเนี่ยนะวิรีนซีเขาก็เป็นใหญ่ในการเพียนเนี่ยนะปัคหะก็คือความเพียรส่วนสตินรีเนี่ยเป็นใหญ่ในการตั้งมั่นสมาทินรียนี้เป็นใหญ่ในความไม่ฟุ้งซ่านปัญญนทรีย์นี้เป็นใหญ่ในความเห็น หรือเห็นเนี่ยนะทศนะเนี่ยเป็นใหญ่ในการเห็นสัตทินรียนี้เขาเป็นใหญ่สามารถจะครอบงําความไม่มีศรัทธาได้เขาใหญ่ถึงกับครอบงําไอ้สิ่งที่ตัวไม่มีศรัทธาได้อาสัตทิอาสัต ท, ทีเยเนี่ยนะถ้าวิริยินทรีนี้เขาเป็นใหญ่ครอบงําความเกียดคร้านได้ถ้าสตินรียนี้ก็เป็นใหญ่ครอบงําความประมาทได้ สมาตินณีนั้นก็เป็นใหญ่ครอบงามความฟุ้งซ่านได้อวิเคปะเนี่ยนะความฟุ้งซ่านวิเคปะเนี่ยครอบงามความไม่ฟุ้งซ่านได้ส่วนปัญญี น, นี้ครอบงามอาวิชชาได้อันนี้คืออนุภาพของความเป็นใหญ่ อ, อินทรีย์ทั้งห้าประการนั้นแต่ละอย่างนี้เป็นเหตุให้ถึงความเจริญงอกงามแล้วก็ถึงความพิเศษเห็นไ คนนี้ก็ทำให้นึกถึงข้อความในอังคุตรนิกายติกะนิบาทชื่อสูตรว่าฐานะสูตรฐานะที่เช่นคนมีฐานะนะฐานะานสั์เดียวกันแต่ฐานะนี้โดยศัย์นี้แปลว่าเหตุนะฐานะนี้แปลว่าเหตุหรือแปลว่าปัจจัยเนี่ยนะฐานะอย่างคนมีฐานะก็คือคนมีเหตุเหมือนกันเถอะถ้าถ้าแปลตามศัพนะหรือคนมีปัจจัยเหมือนกัน แต่ไม่ทราบว่าทุกวันเ็าแปลแบบนั้นหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าโดยศัพท์นี้ฐานะแปลว่าเหตุนอ้าวอย่างสมมติคุณชมรมมีฐานะเนี่ยนะฐานะก็บอกแปลว่าคนมีปัจจัยบา ง, งั้นเถอะปัจจัยไหนก็ว่าไปอีกก็ว่าเป็นเรื่องๆไปในฐานะสูตรอังคุตรนิกายติกะนิบาทข้อ481พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลาย ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสเนี่ยพึงรู้ได้ด้วยสถานสารนะอันนี้เป็นเครื่องมือวัดว่าผู้มีศรัทธานี้เขาเป็นยังไงนะเอาไว้ตรวจสอบคือหนึ่งเป็นผู้ใคร่ในการเห็นผู้มีศีลทั้งหลายเนี่ยนะปรารถนาจะเห็นผู้มีศีล น, น่ยนะนี้เป็นข้อแรกของคําว่าผู้มีศรัทธาข้อที่สองเป็นผู้ใคร่เพื่อจะฟังธรรมเนี่ยนะปรารถนาจะฟังธรรม ข้อ 3. มีใจปราศจากมนทินคือความตนิอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีมืออันล้างไว้คอยจะหยิบของให้ทานเนี่ยนะยินดีในการเสียสละควรแก่การขอพอใจในการให้และการแบ่งปันผู้มีศรัทธาเลื่อมใสจะพึงรู้ได้ด้วยสถานสามนี้ น, นะก็ข้อหนึ่งก็คือปรารถนาจะเห็นผู้มีศีลข้อสองปรารถนาจะฟังธรรมข้อสยินดีในการบริจาคทเนี่ยนะ ก็ตรัสเป็นคาถาว่าผู้ใดใคร่ในการเห็นผู้มีศีลปรารถนาจะฟังพระสัทธรรมกำจัดมนทินคือความตนิเสเดียผู้นั้นชื่อว่าผู้มีศรัทธาเนี่ยนะผู้มีศรัทธาซึ่งในอัตกถาท่านก็ยกตัวอย่างถึงผู้มีศรัทธาแบบสมัยโบราณเนี่ยนะมาให้ดูว่าคำว่าทัศนะกาโมสีละวตัง นะคือปรารถนาจะเห็นผู้มีศีลเนี่ยนะมีความมีความประสงค์จะพบท่านผู้ทรงศีลสิบโยต์ก็ไป น, นะสิบโยน์ก็เท่าไหร่ก็ประมาณสักร้อยหกสิบกิโลเมตรก็ไปหรือสามสิบโยน์ก็ไปร้อยโยต์ก็ไปดุจปาตลีปุตตะกพรามและพระเจ้าศัทธาติสมหาราษ น, นะอันนี้พูดยกตัวอย่างโบราณนะถ้าเป็นของเราก็ ปรารถนาจะไปไหว้พระเจดีที่พุทธคยาหลายร้อยกิโลก็ไปมัง้งกันเถอะไกลก็ยังไปเลยนะก็ประกาศถึงความเป็นผู้มีศรัทธาเป็นต้นนะนี้เอาตัวอย่างปาตลีปุตตะพราหมกก่อนเล่ามาว่าใกล้ประตูพระนครปาตลีบุตรปาตลีบุตรก็คือปัตตนะนะปัตนะวันนั้นเราไปไม่ถึงเนาะปัตต น, นะ ใกล้ๆเมืองราชคร์กันนะไม่ไม่ไกลเท่าไห ร, ร่ปาตลีบุตรคือโบราณ น, นี้เป็นเมืองที่วัสการพราหมณ์ไปสร้างอ่ะนะตอนสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าปาตาลีคามหลังจากสร้างเมืองก็เป็นเมืองปาตาลีบุตรก็สมัยนี้ก็เลยเป็นชื่อว่าปัตตนะเมืองปัตตนะเนี่ยนะตีก็มีพราหมณ์สองคนก็ทราบเกียรติคุณของพระมหานาคเถระผู้อยู่ในกาลวาลิมดกเนี่ยนะ คิดกันว่าเราทั้งสองคนเนี่ยควรจะไปหาภิกษุนั้นดังนี้ทั้งสองคนก็เลยออกจากพนักครนเนี่ยนะคนหนึ่งก็ถึงแก่กรรมในระหว่างทางคนหนึ่งก็ไปถึงฝั่งทะเลลงเรือที่ท่า ม, มหาดิตมายังอนุราธาบุรีเนี่ยนะคือคนอินเดียว่างั้นเถอะมีศรัทธาพระที่ศรีลังกาว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นถึงจะอยู่ไกลก็ปรารถนาจะไปก็เดินทางชวนเพื่อนกันไปคนหนึ่งตายระหว่างทางไอ้คนหนึ่งก็ไม่เลิกนะ ก็ไปจนถึงไปถึงท่าน้ําแล้วก็ลงข้ามทะเลไปนะนี่ข้ามไปที่ประเทศศรีลังกานะพอข้ามไปถึงก็ไปสอบถามดูว่าวัดกาลิเออกาลวัลิมณดเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้รับคําตอบว่าอยู่ที่โรหณชนบทเดี๋ยนะีคุณพารโรหณชนบทนี่อยู่ตรงไหนลุงมาหรือเปล่านะหมอยุพินไม่ได้มาเนะียโรหณะนี่นึกออกไหมเขาอยู่ตรงไหน โรฮณะชนวทไม่รู้ชื่อเขาเปลี่ยนไหมน่าจะเปลี่ยนนะคือเขาคงเขียนไว้เป็นโบราณสถานให้ใหรู้บ้างนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนเพราะว่าคมพีอัตกถาที่ศรีลังกาตอนนี้ก็ยังไม่ได้สูญอะไรก็ยังอยู่เนี่ยนะเอกสารในชั้นอัตกถาดีกาส่วนใหญ่แล้วทางศรีลังกาเขาส่งเสริมในการเผยแพร่ตรงนี้ลงอินเทอร์เนะ็ต ที่สมเนนแดงอ่ะนะเอามาให้ว่าให้เปิดดูใน อ, อินเทอนะร์เน็ตอ่ะนะชื่อไฟอะไรเขามีจดไว้กันหลายคนนะไปเปิดดูนะอันนั้นเขาทำออกเผยแพร่มาจากประเทศศรีลังกาแต่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยของมาก็สอบตกนะที่โรหนะชนบทนะที่ศรีลังกาเนี่ยมีสถานที่มีชื่อเสียงอยู่หลายแห่งเนี่ยนะ เช่นโรหณะชนบทอย่างหนึ่งอย่างพระมาลายเทพเทระเนี่ยนะมาลัยเนี่ยเป็นชื่อของมาลยะนะเป็นชนบทอีกชนบทหนึ่งที่พระมะลาลัยเทพเทระเนี่ยมาลยะคือชื่อจริงๆท่านชื่อเทพหรือเทวะนะเป็นชาวมาลัยอ่ะก็เลยมาเรียกชื่อเต็มว่าท่านมาลัยเทพเทระเนี่ยนะเรียกมาลัยเทพเีระจริงอ่ะมาลัยนี่เป็นชื่อของชนบทเนี่ยนะ เท ว, วะชื่อจริงชื่อเท ว, วะแล้วพระเทระรูปนี้าตามบางคัมภีรก็พูดถึงว่าท่านมีพฤติกรรมคล้ายๆพระมหาโมกขลั น, นะคือจะไปลงลงไปเยี่ยมนรกบ้างไปสวรรค์บ้างเนี่ยนะอันนี้เป็นคัมภีร์ที่ปรากฏอยู่ซึ่งคนไทยก็นิยมแล้วก็าตามคัมภีร์นี่แหละที่เรียกว่าทาบุญพระเวสสันดรแล้วก็บูชาเป็นอย่างละพันอย่างละพั น, พนเนี่ยนะบูชากระถาพันอย่างละพันอย่างละพันเนี่ย ก็อิทธิพลมาจากดีการมาลัยเทวสูตรแต่ในอัธกถาของเรานี้ถามว่าพูดถึงพระมาลัยไหมพูดหลายแห่งมากพระมาลัยนั้นเป็นพระเถระที่แสดงธรรมแล้วผู้บรรลุไม่น้อยเลยโดยเฉพาะฉัฉะกสูตรท่านแสดงอยู่หกสิครั้งบรรลุครั้งละหกสิบเนี่ยนะแล้วก็ไปแสดงที่บรรลุที่อื่นๆอีกไม่ไม่ทราบเท่าไหร่เนี่ยนะนันเป็นพระที่มีคุณธรรมมากเนี่ยนะเป็นสมัยที่พระอรหันต์เฟื่องฟูแต่ให้รู้เธอว่า ท่านเกิดสมัยก่อนพระพุทธโคสาจารย์มันก็ก่อนพศพันอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอาจจะพศประมาณห้า6้0ยหกรออะไรอยู่แถวๆนั้นนะอันนี้พูดถึงพราหมณ์ปาลิบุตรนะที่ไปเที่ยวหาพระมหานาถเทระเนี่ยก็ได้รับคำตอบว่าพระเทระอยู่ที่โรหนชนบทก็ไปถึงที่อยู่ของพระเทระตามลำดับก็ยึดเอาที่พักในเรือนประกอบธุรกิจใกล้ จุละนะครคมได้ปรุงอาหารถวายพระเถระถามถึงที่อยู่ของพระเถระเพื่อจะเข้าไปหาแต่เช้าๆแล้วก็ไปยืนอยู่ท้ายประชาชนนะแสดงว่าพระเถระรูปนี้มีชื่อเสียงมากคนขึ้นเยอะเนี่ยน ะ, นะ เ, หน ะ, ะเห็นพระเห็นพระเถระเดินมาแต่ไกลทีเดียวก็ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครู่หนึ่งไหว้แล้วก็เข้าไปหาอีกจับข้อเท้าของพระเถระไว้แน่นเน่นะนะแล้วก็เรียนว่าพระคุณเจ้าสูงมากครับฟังนั้นะ ก็พระเถระจริงๆแล้วร่างกายท่านก็ไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปกพ็พอขนาดพอดีนั่นแหละทั่วๆไปนั่นแหละแต่ด้วยเหตุนั้นเขาจึงเรียนใหม่อีกว่าพระคุณเจ้าไม่ได้สูงเกินหรอกแต่คุณความดีของพระคุณเจ้าเนี่ยแผ่ไปตามน้ำทะเลสีครามท่วมท้นถึงพื้นชมพูทวีปทั้งหมดเยนะอันนะชื่อดังไปถึงอินเดียหมดเลยอินเดียนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อท่านเหนน แม้ผมนั่งอยู่ใกล้ประตูพระนครปาตาลีบุตรก็ได้ยินเกียรติคุณของพระคุณเจ้าเนี่ยนะเขาก็ได้ถวายภิกษาสารแต่พระเถระมอบไตรจีวรของตนแล้วก็บวชในสำนักของพระเถระดำรงอยู่ในโอวาทของท่านแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยสองสาวันเท่านั้นนะคือบอกถึงผู้มีศรัทธามากๆนะไปจากเมืองปาตาลีบุตรไปบวชศรีลังกาบวชสองสาวันบรรลุเลยอันะก็โอ้มีศรัทธามากๆเลยนะไม่ศรัทธาขนาดนี้ไม่ได้บรรลุหรอก อันนีอ้อีกชื่อหนึ่งนะอีกชื่อหนึ่งว่าพระเจ้าศรัทธาติดสะมหารัตน์ชื่อติดสะแต่เนื่องจากมีศรัทธามากเขเลยเรียกว่าพระเจ้าศรัทธาติดสะจริงๆแล้วชื่อจริงอะ่ะชื่อว่าติดสัติดสัแปลว่าสามะนะทั่วไปก็แปลว่าสามอันแต่มีศรัทธานำหน้าก็บอกว่าโอ้โหมีศรัทธามากองค์นี้เหมือนกันทีนี้ตรัสถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอพระคุณเจ้าจงบอก พระผู้เป็นเจ้ารูปหนึ่งที่สมควรโยมจะกราบไหว้ น, นะขอคําแนะนําว่าเอจะไปไหว้ใครดีว่งั้นเถอะพี่สุทั้งหลายก็ถวายพระพรว่าท่านกุชติชติศะเทระนี่อยู่ในมังคลารามอ๋นนะอมีพระเทระอยู่รูปหนึ่งว่างั้นเถอะชื่อว่ากุชติติศะเนี่ยนะองค์เนี้น่ากราบหน้าไหว้พระราชาพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากก็เสด็จไปสิ้นระยะทางห้าโยชน์นะนะ หาโยตโบราณนี่ก็ไกลามากนะสิบหกคูณห้าเท่าไรอ่านะก็ประมาณแปดสิบกิโลโบราณนี่ก็นับว่าโหเส้นถนนมันคดมันเคี้ยวบังเดินก็ไม่ได้สะดวกอะไรเนี่ยเลถึงจะนั่งอะไรนะวอนั่งสเสียงหามก็นั่งไปเถอะมันก็แบบมันจะเป็นสนุกเท่าไหร่เชื่อเนาะแต่ว่าเหนื่อยมาก ทนี้พระเถระก็ถามพิสุสง์วันนั่นเสียงอะไรคือพระราชาเสด็จมาเนี่ยประชาชนก็แตกตื่นกันมา ก, ก น, นะพร ะ, พระพิสุฟังก็ฟังโอ้เสียงอะไรนะดังระงมไปหมดพิสุสง์ก็เรียนว่าพระราชาเสด็จมาเพื่อจะน้มาสการพระคุณท่านขอรับพระเถระก็เลยมาคิด ท, ทันทีเลยนะพระรหันก็บอกมาคิดว่าโอ๊้จะมีงานอะไรในพระราชวังในเวลาที่เราแก่เท่ากั้นก็เลยนอนบนเตียงในที่พักกลางวันแล้วก็ลุกขึ้นไป ขีดบนแผ่นดินเชิญนะไปนอนรากแผ่นดินใช่พนะระราชามาเอ้ามาก็มาสินี่ท่านไม่คือท่านเนี่ยท่านไม่ต้องการจะเข้าวังเนี่ยนะถ้าเข้าวังโอ้อายุก็มากแล้วไปเข้านอกออกวังมันจะทุกข์ขนาดไหนมันลําบากมากเป็นภาระมากเออถ้าทําอย่างนี้เนี่ยพระราชาจะได้เลิกศรัทธาก็เลยไปนอนนอนแล้วก็ขีดมือเล่นไว้เล็บขีดไปขีดมาเนี่ยนะขีด ข, ขีดไส้เดือนนั่งอย่าวาดโรคกิงเกืออะไรก็วาดไปพระราชาก็ถามว่า พระเถระไปไหนพอสดับข่าวว่าพระเถระจําวัดอยู่ในที่พักกลางวันเหมืนกันโอ้ท่านนอนกลางวันอยู่โน่นเหมือนกันก็เสด็จไปที่นั้นเห็นพระเถระกําลังขีดแผ่นดินอยู่เนี่ยนะเพราะว่าไส้เดือนเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะพระราชาก็เลยดํารีว่าธรรมดาพระขีนาศบจะไม่ขนองมือท่านผู้นี้ไม่ใช่พระขีนาศบจึงไม่ทรงไหวเลยก็เสด็จกลับเนี่ย น, นะไปเห็นแล้วเอ๊ะพระทหารหที่ไหนมันนอนขีดขนาดนี้เหมือนกันสงสยัยไม่ใช่ม吗ไม่ใช่ก็เลยไม่ไหวแล้วกลับเลยนะ นะเดินทางมาตั้ง80โยตเอ้ยแปสิกิโลเมตรเนี่ยไม่ได้ไว่ายแล้วนะเสียนะงดังมากคือธรรมดาเนี่ยพระยิ่งพระอระหันด้วยแล้วท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบในการคลุกคลีนะเห็นโทษของกลางคลุกคลีเป็นอันมากอยู่แล้วคือที่ท่านไม่คลุกคลีเนี่ยนะก็ด้วยเหตุผลหลายประการอย่างเช่นว่าถ้าท่านคลุกคลีแล้วนะลูกศิษย์ท่านจะทําตัวยังไงกันสมมุติถ้าถ้าบางองค์เนี่ยนะมีลูกศิษย์อยู่ร้อยสอร้อยหรือห้าร้อหรือพันหนึ่งเนี่ยนะ ถ้าวันทั้งวันของท่านมัวแต่คลุกคลีควบคนนั้นเข้าออกบ้านคนนี้ไปคนนั้นนะเอลูกศิษย์ทั้งหลายก็จะคิดว่าเอการเข้าออกเข้าในออกในเนี่ยนะเข้าบ้านออกย้านคบค น, นเป็นเรื่องดีเพราะอุปชาจารย์เราทําอย่างนี้แลเอามัาง่งเนี่ยนะอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าหากว่าคลุกคลีอย่างนั้นเน่ยเมื่อไหร่จะได้เข้าทิฏฐธรรมะสุขาววิหารธรรมบ้างเนี่ยนะเพราะการคลุกคลีเนี่ยมันก็เป็นโทษของการเอ่อ ไม่ได้ความสงบที่เกิดจากเนคขมมะมากนะเพราะว่าถึงจะพระดอรหารก็ตามนะบางทีก็แทบจะเข้าพราสมาบัติไม่ได้บังนั้นเถอะเพราะว่าไอ้การคลุกเคลียมันก็มีภาระการเกี่ยวข้องมากดังนั้นพระพระเถระรูปนี้ท่านก็เลยบอกว่านอนขีดแผ่นดินดีกว่านะอย่าไปเข้าเลยวัง พระสูงก็เรียนพระเถระว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเหตุชไนใต้เท้าจึงก่อความเดือดร้อนพระไทยแก่พระราชาผู้มีพระราชศรัธทธาทรงเลื่อมสายอย่างนี้ น, นะพระเถระกล่าวว่าอาวุโสการรักษาพระราชศรัธทธาไม่ใช่หน้าที่ของท่านทั้งหลายแต่เป็นหน้าที่ของพระเถระผู้เท่ากันใช่ทีนี้ท่านก็บอกโอยท่านไม่ต้องมาเดือดร้อนหรอกว่าเ ง, งั้น <c oughs> บอกลูกปิดอ่ะนะ แต่แล้วเมื่อใกล้จะปรินิพานด้วยอนุปาที่เสศนิพานธาตุคือพรธาตุนี้ส่วนหนึ่งท่านจะรู้ว่าท่านจะปรินิพานเมื่อไหร่ทีนี้การต่อมาก็กล่าวกับภิสุสงฆ์ว่าท่านทั้งหลายจงลาดบัลังแม้อื่นไว้บนกูตาคารสําหรับเราเมื่อพิสุสงฆ์ปูลาดบัลังเลยแล้วพระเทเรสฐานว่าในระหว่างนี้ขอกูตาครานี้อย่าเพิ่งปฏิษถานเฉพาะในเวลาที่พระราชาทรงเห็นแล้วจึงค่อยปฏิสถานอยู่ที่พื้นดิน แล้วก็ปรินิพานเนี่ยนะหมายคก็ว่าคําว่ากูตาคารนี่มันเป็นเรือนยอดที่ที่ลอยได้นะคือเป็นเรือนยอดธรรมดาท่านก็ไปปรินิพานบนนั้นเสร็จแล้วก็ไอเรือนยอดนี้มันก็ลอยไปเรื่อยค่ น, นี้ให้พระราชาเห็นแล้วจึงค่อยลงถ้าพระราชาไม่เห็นยังไม่ต้องลงก็อธิษฐานทิ้งไว้แค่นนัะ้ด้วยฤทธ์นะนะด้วยฤทธ์คือฤทธ์นั้นสามารถอธิษฐานให้ให้ยาวอยู่อย่างนี้ได้ สามารถอธิษฐานต่อไปอย่างนี้ในอนาคตได้อย่างเช่นพระมหากัสสปะนี้พระสรีระของท่านยังไม่ได้เผาเห็นไหมอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งแต่ไม่ทราบอยู่ที่ไหนเห็นไหมท่านท่านอธิษฐานไว้ในหุบเขาท่านจะได้รับคือถ้าพูดสัมนวนเราว่าท่านจะถูกเผาในาศาสนาพระกัสสปพระศีอารเนไหมพระศรีอารเนี่ยจะจัคล้ายๆจะเป็นค่ายเป็นผู้เผาให้อย่างนี้นะแต่ท่านอธิษฐานฤทธิ์เอาไว้แล้ว นะกพ็พระสีอานจะเป็นผู้ประกาศเกียรติคุณของพระมหากรสปะหลังจากนั้นพระสรีระของท่านก็จะไฟลุกไหม้เนี่ยนะก็นอนจะเห็นก็คอยดูท่านที่พระศศาสนาพระสีอาน mm hmm. คือไอ้ฤทธิ์เนี่ยสามารถอธิษฐานไปในอนาคตได้เ น, น, mm hmm. นี่ยนะ mm hmm. อ, อ๋อด้วยฤทธิ์อธิษฐานไว้จะไม่ผุเ mm hmm. นี่ยนะอธิษฐานไว้ mm hmm. ก็บอกว่าด้วยอธิษฐานเนี่ยบางอย่างนี้ดอกไม้ยังไม่เหี่ยวเลย อย่างสมัยที่พระมาหากษัตริยพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยนะไปสร้างที่ที่เก็บพระธาตุคือรวบรวมพระพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้าเนี่ยไปไว้ในเหมือนกับห้องใต้ดินเนี่ยลึกมากเห็นไหมเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้เอาอะไรมามีเต็มไปหมดเลยพระมาหากษัตริย์ที่ฐานไม่ให้ดอกไม้เหี่ยวเลยให้มีกลิ่นหอมเหมือนกับวันเก็บคล้ายๆแบบนั้น ตอนที่พระเจ้าอาชาตศัตรูเนี่ยลงไปไปขุดเอาพระธาตุมาเพื่อที่ขอภัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยนะพระเจ้าอาโศกเนี่ยลงไปขุดแล้วก็เอาพระธาตุมากระจายไปทั่วทั่วชมพูทวีปนี่นะตอนหลังอะ่ะตอนนั้นดอกไม้ก็ยังมีกลิ่นเหมือนเดิมเนี่ยนะอันนี้ก็ด้วยอํานาจฤทธิ์ของของพระมหากระสปะนะ <c oughs> ทีนี้พอพระจิตอกูตาคารเนี่ยนะ ลอยไปในอากาศสิ้นระยะทางห้าโยต์ต้นไม้ที่พอจะปักธงได้ก็ได้ถูกปักธงไว้ตลอดระยะทางหโยต์ทั้งกอไม้ทั้งพุ่มไม้ก็เองไปหากูตาคารทั้งหมดมเหมือนกนพิสูจนทั้งหลายก็ส่งข่าวไปทูลพระราชาว่าพระเถระปรินิพานเสียแล้วกูตาคารกําลังลอยมาทางอากาศพระราชาก็ไม่เชื่อนะกูตาคานก็ลอยมาทางอากาศกระทําประทักษินถูปารามแล้วก็ได้ไป ไปถึงศิลาเจดียสถานถูปารามนี่เป็นที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยนะมีพระเจดียุงพระเจดีย์พร้อมทั้งสิ่งของก็ได้ลอยขึ้นไปประดิษฐานอยู่เหนือยอดกูตาคารเสียงสาธุการตั้งพันก็ดังกระหึมในขณะนั้นท่านพระมหาพยคฆเทระก็นั่งอยู่บนกูตาคารชั้นเจ็ดใกล้โลหะปราสาท น, นะ เขาบอกว่าโลหะปราสาทนี้ตอนนี้ที่ศีลังกาไม่เห็นแล้วถ้าจะดูโลหะปราสาทก็ไปดูที่กรุงเทพก็จำลองจําลองที่ศีลังกามาสร้างไว้ที่กรุงเทพนะโลหะปราสาทอยู่แถวไหนนะพวกกันเ น, นี่ยนะแต่แถวนั้นนะเน่ยนะวัดเทพทิดาใช่ก่นก่อนไปยมก็ยังชี้ให้ดูเลยว่าเนี่ยโลหะปราสาทเนี่ยก็บอกว่ากําลังบูรณะอยู่เนี่ยนะ คือสร้างมานอนและคือจำลองแบบจากศีลังกามานี่ยนะแต่ที่ที่ศิลาการานั้นโลหะประาศาสตรนี่ไม่เหลือแล้วทีนี้ท่านพระ ม, มหาพยาคฆ์เทระนี่ก็นั่งอยู่ในกูตาคารเนี่ยนะทำวินัยกรรมแกพ่พิสุทั้งหลายอยู่ฟังเสียงสาธุการนั้นก็เลยถามมันนั่นเสียงอะไรพิสุทั้งหลายก็เรียนว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านกุชชติดสะเทระผู้อยู่ในมังคลารามปรินิพานแล้ว กูตาคารลอยมาทางอากาศสิ้นระยะทางห้ายอดนั่นเป็นเสียงสาธุการในเพราะกูตาคารที่ลอยมานั้นพระเถระกล่าวว่าอาุโสทั้งหลายเราจักอาศัยท่านผู้มีบุญแล้วพลอยได้รับสักการะเนี่ยนะบอกเออเราจะได้สักการะอาศัยคนมีบุญบ้างเอามั่งอล้นะท่านก็เลยให้อันเตวาสิกขอขมาโทษเนี่ยนะก็ขอขมาซึ่งกันและกันท่านก็เหาะมาทางอากาศเข้าไปสู่กูตาคารศาลาแล้วก็นั่งริ เตียงปริณิพานที่สองแล้วก็ปริณิพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพานธาตุเหมือนกันอีกเหนไก็ท่านพยาคาัคฆ์เทระนี้ก็โดยชื่อนี้แปลว่าเสือนะแปลว่าถ้าพูดไทยๆเราก็บอกท่านเสือเหมือนกันเถอะแต่ท่านก็เป็นพระอรหรันตะ์นั่นนะเป็นพระอรหรันต์ก็ปริณิพานที่เดียวกันพระราชาถือของหอมดอกไม้และก็จุนจันทร์และเสด็จไปบูชากูตาคารที่เสด็จอยู่ในอากาศ ในขณะนั้นกูตาคารก็ได้ลอยมาปฏิสถานที่พื้นดินพระราชารับสั่งให้ทำสรีรกิจด้วยสการะเป็นอันมากและก็ทรงรับเอาพระาธาตุไปสร้างเจดีย์ท่านผู้ทรงศีลเห็นปานี้มีผู้ประสงค์จะไปพบเห็นเป็นธรรมดาพระเจ้าสัทธาติสสะมหาราชจากเป็นอักระสาวกรูปที่สองของพระศรีอริยเมตรยัยเนี่ยนะพระราชาพค์ออนี้นะว่าที่อักระสาวกที่สองของพระศีอาเ น, นี่ยนะ เพราะมีหน้าท่านยังมีศรัทธามากกันนะเลยเรียกว่าพระเจ้าศรัทธาติดสะเทระพระเจ้าติดสะเทร ะ, ไ, รระไม่ใช่เทระสิพระเจ้าศรัทธาติสะหมหาราชต้ ง, น, งนั้นเถอะนยนะไม่ได้บวชยังไม่ทันได้บวชเลยเป็นพระราชาอยู่เนี่ยนะแต่ก็จะเป็นอัครส า, าวกที่สองข้างหน้าเ น, นี่ยนะก็จะไปเยี่ยมชมบารมีของท่านก็รออีกพักใหญ่